ได้ออกปากชวนถึงสามครั้งแต่ว่าโชติปาละปฏิเสธทุกครั้งและทุกครั้งที่ปฏิเสธนั้นจะปฏิเสธด้วยคำเยียดอันนี้นะครับที่เป็นถือว่าเป็นกรรมเป็นกรรมหนกรรักที่ทําให้พระพุทธเจ้าของเรานั้นต้องเสียเวลาบําเพ็ญบารมี บ, บาเพ็ญเพียนถึงหกปีเต็มเราว่าไปกล่าวมิ่งพระสัมมาพระพุทธเจ้าราก่อน กล่กาวมิ้นว่าไงคือเมื่อเพื่อนตัวน แ, ลแล้วก็บอกว่าโอ้ธรรมณะโลนเนี่ยไปได้เมื่อพากันไปหาบน้ําเสร็จเรียบร้อยปากเปล่าแต่เนื้อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนายคติการาก็ออกป่าจชวนเด็กถอยคามเก่าแก้ก็ปฏิเสธยาเก่าเป็นครั้งแรกพอครั้งที่สองครั้งที่สามก็ปฏิเสธจนกระทั่งต้องทวนอีก ตาม่อตอนนี้ไม่ชวนปากไม่ชวนปล่ า, ไ, ลาได้เอามือกระสุกที่ภายปกแล้วก็ออกปากส่วนแล้วก็ปฏิเสธอีกครัในที่สุดเพื่อนก็เลยเอามือละลาบละลุ่มซึงปกติเนี่ยครามกับคนวันมะตามกันนั้นก็ถือกันมากถ้าใครทำอย่างนี้ถือว่าคบ ก, กันไม่ได้เลยแต่ว่าสองคนนี้ก็คงจะมีนนะั้นคงจะรู้ใจกันดีนะครับอยู่ดีๆ ถ้าพูนยังไงมันไม่ใช่เรื่องหิอร้ายแปรงหรือไม่ใช่เรื่องของขาดบาดตายนั้นเพื่อนคงจะไม่ทําอะไรตูนตามอย่างนี้แต่ก็ไ ด, ด้บอกว่าข้าจะไม่เป็นเรื่องเล็กอะไรเจอท่านในพยายามตัวเราถึงขนาดนี้เนะ่เห็นจะไม่เป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็ธรรมดาบอกตูไปฟังพระพุทธเจา้าก็เลยนป ไปพบสัพพุธเจ้าพระตัตถะก็ทรงสแสดงทำโปรดเมื่อโปรดแล้วโทติปาระนั้นเกิดความเรื่องใสอย่างนี้ได้ออ ก, ออกได้ขอทูลขอบรรพชาสันก่อนจะบรรพชาก็ามาทวนเพื่อนบอกว่าฉันจะบวดแล้วนะเธอจะว่าอย่างไงไอ้คนชวนไม่บวชนะคนชวนบอกว่า ท่านก็รู้ดีนะว่าบเจ้าเนี่ยต้องรักขีดชอบพ่อแม่หรือตาบอดถ้ามาบวชไปแล้วพ่อแม่ก็จะลำบากอันนี้ก็ได้แรงกระการยูนะก็เลยบอกจะย่างให้บวชเพื่อนบวชทุกคนเดียวสวัสดิเขาาบวชอันนี้ค้าที่จะใช้คำว่าเราได้ประคุตแล้วจบพุ่ปรมาจาร์แล้วในปาพดของพระพุทธกัสสปพุทธเจ้าา้นี้ ส่เพื่อนก็กลับไปเลียดูพ่อแม่ต่อทีนี่ก็มีเรรปรดเล่าตอบอีกในตัวนี้ยาวนะครับแต่เรื่องถึงเกี่ยวแค่ในจบแหะเพื่อนผููเป็นโสดาเนี่ยคถ้าเป็นเป็นนาคาเนี่เรียกว่าได้รับการยกย่องจากพระุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในทางอุปถาถึงจะเป็นคาริษฐ์ก็ตามแต่นี้ศรัทธาและพระพุทธเจ้าโดยตรงเขเรียกว่าให้ความเป็นกันเองอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าโดยทรงเทศโปรด โซติฟารักเยอะแล้วสร้งบวชเป็นพระพิ้ า, า, าล้วท่านกระเดชเดชไปที่แควนเมืองพาราณสีพระเจ้าสีกีต้องรากกันขนาดนั้นก็ได้อาลัชนาให้ทรงไปฉันที่บ้านตัวไปชันเสร็จแล้วก็ขออาลัชนาแท้ๆว่ามีมนให้การามบรษาอยู่ที่นีูข่ขาดจะทาบุญต้องสามเดืนพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่ามีบุคคลอื่นได้อาลนาไว้ลวงหน้าปเจ้ากีกีบอกว่าเอง มียังจะมีใครที่อุปถัมภ์ดีกว่าข้าพระโอริอหรือพระพุทตเจ้าก็บอกคนามีแ้วถามว่าเขาเป็นใคเขาคือนายพติการะทางปัญมองก็โรงเล่าทิ้งสภาพจีนให้ฝังว่าเป็นคนยจนนะหรือว่าหาชาติา่งช้าแล้วคนที่เป็นอนาาเป็นเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยจะไม่จับเงินจจกทองไม่มีบุตรไม่มีะระยะไม่ไม่ไม่เชื่อสาร แต่แกช่านปัน้นหม้อแกปัน้นหม้ออะไในสูตรแรก้านราหวังแกจปเก็บไม่ขุดดินด้วยนะอันนี้คล้ายๆว่าเราขุดตัวเหมือนอย่างล้ดลดดาดีๆคล้าดีๆก็นาหาุดดี่ามตินนะะคนที่เป็นอริยะมมารู้ว่าข้อใดเป็นพุทธบัญญัติแต่ไม่มีขาดทุกอย่างแกจะไม่ขุดดินแล้วเ็ช่างปัน้นหะม้อนแกต้จะไปเก็บเอาดินที่มันพังตามดินตลยกเอามาปัาน้นหม้ออาปัาน้นหะม้อนว ขายได้ยงไงแตโสดาเป็นอนาการมีแนวคิดกระตังกระตุ้งกรตัดใส่ชัยวกีปั่นหม อ, อแล้วก็เอามาวัดแล้วก็ทาข้อตกลงว่าท่านผู้ใดต้องการมอบไว้ไหนเนี่ยก็ตีราคามาแล้วก็เอาภาพของวโบโบพวกบริโภคมาแลกของกแล้วก็แกก็เอาของหลานี้นะครับมาบำรงเนื้อดูมันนาบิาจักกรองดัใจสองอีกนี่คือยึดไปอยู่อย่างนี้ ในที่บ้านต่อเป็นบ้านธรรมดาธรรมดบางบางครั้งเนี่ยรพระพุทธเจ้านด้ทรงเล่านะาบางครั้งนั้นได้ทรงประด็จฐ์ไปสู่บ้านของนายกิติการะแล้วก็เข้าไปแบบเนี่าเหมือนจะคนในบ้านนะ้อย่างเช่นครั้งหนึ่งท่านเข้าไปไม่เจอกัานนายกิติการะรอย่างพิจุระก็พบพ่อแม่ตาบอดก็าถามว่า สติสาระเมื่อไหร่เราบอกไม่อยู่อบอกไม่อยู่แนละ้วบอกว่านี่แล้วเราต้องการจากบริโภคอนะหาพ่อแม่ก็อกว่อยู่ในในหม้อในตัวในกระปุกสติลงเจสซาเก็ตรงะเด็จไปโคดไปอะไรเองหมดเหมือนก็เรียกเหมือนจะกลับไปสู่บ้านตัวอนกะันแล้วพ่อแม่ของ น, นาสติสาระก็พูดกันหนึ่งว่าเป็นลูกของตัวเองคนหนึ่ง พอขันเสร็จแล้วก็ทรงเสด็จจับวัดเมื่อกลับวัดไปแล้วนายกสิการลับมาก็ถามพ่อแม่ว่าเจ้าของหายไปไหนกนหมดพีพ่อแม่ก็เล่าวความให้ฟังแกก็ดีใจปลื้มใจในประสูตรบอกว่านายกสิการานันปลื้มใจถึงหนึ่งเดือนแต่พ่อแม่นะ่ปลื้มใจหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันจะปลื้มใจในทั้งบ้าน ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นได้ทรงสวายหรือทรงมอบความเป็นกันเองถึงขนะดนี้มีศาสนาปรมาจารย์มอบความเป็นกันเองถึขนานี้แล้วมีอยู่ข้างหนึ่งที่เป็นเรื่องประหลาดแล้วอ่านแล้วเราจะเลิกไปจ้พุทธเจ้าทําไมท่านต้องทำอํำแบบนี้ท่านปลาลรคก็บล่าว่าผู้ติดตัวเป็นได้ดูผมและท่านก็บอกว่าไปเอา หญ้ามุงหลังคามันคืที่บ้านไหมกติการะแต่เอาไม่ห น, น่อยจ้าจ้าแล้วเกินมุงที่บ้าน้วกติกาจ้าก็ไนไปเสร็จแล้วก็กลับมือปลาแบบบอกว่าหญ้าไม่มีเลยก็ต้นเดียวแค่หาเดียอยู่เดียวแล้วเนี่ยก็ถางมันหลังคามีมีไหมอนนั้นฉจะกลับไปใหม่แล้วไปลื้อหลังอาทงกุติละก็กุฏิเลยไม่ละาไม่ละแ นึกลึกล่ะว่าเออระพุทเจ้าคนไหนทำอย่างนั้นอะอาจาพระพุทธกัจจป่านีนนามมา่ไม่ได้ถามว่าไม่ตระพุทธเจ้าของเราไปทํากั้นองอื่นทำางนั้นนะหรือมาถ้าไม่มี อ, อะไรทักทันสักสักอะว่าสักตอนเดียวเครื่องเห็นแก่ตัวนะทักทันแบบนี้เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นอาจจะไมเ่เห็นก็ได้อาจจะเห็นก็ได้ไม่แน่นะ เรื่องคนที่ทําอะไรที่ลึกๆเนี่ยครับางทีบางเจตนาบางอย่างก็อาจจะเป็นการเห็นแก่ตัวแต่บางอย่างไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวใช่ไหมฮะทำไมเราถึงได้จากก้าพระองค์เนี่ยท่านทําอย่างนี้นะดูห ย, ยาบๆเหมือนท่านเห็นแก่ตัวแต่ท่านได้เห็นแก่ตัวเป็นการอนุเคราะห์อนุเคราะห์เราเราจะชื่นใจไหมลนะ่ะ อันนี้มีการจะสงสารอยู่ก็มาเรื่อนหลังคาบ้านและะ้วเนี่ยรเอาของดีๆในบ้ า, าบนหมดแต่เลื่อหลังคาบ้าน เ, เาานี่กินร้อนมาก็เีย่นาพ่อแม่เองก็รู้าพระเจ้าใช้มาบอกอนุญาตแล้วเลยหมดแตนแล้วลูกฮะลูกกลมาแม่เล่าฟังเนีปยะกาศดาของท่านสั่งให้า ม, ามาเลื่อหลังคาบ้านแต่ไปทำผิด แทนที่านายกติจาระจะอยู่วตัดดีใจหนักเสื่อมโยงกระพุ้ที่กระาพากอยู่ต้องมีความคุ้นเคยแสดงความคุ้นเคยแต่เราลืมทิ้งนิยมตูอย่างไรหอมแหมกันเลยปล่ อ, อยใจกันดีและด้วยอาณีสงนะเนี่ยด้วยอาณิสงจากการมีเรียกว่ามีใจใจกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ ไในในนั้นนะไม่ใช่ตางขาแกนะ่ในนั้นพูนเลยเขูดที่เจ้าสงสัดเองเลงยพูดจางเรานะสารลากว่าตลอดฤดูฝนบ้านนี้อยู่กันด้วยความร่มเย็นข้าวฟอมไม่มีเสียงเพราะว่าฝนตกไม่ลงบ้านนี้ที่อื่นตกไต่ที่ น, ญญนี้นนะ่ตกฮะก็มันก็อาจจะตกกันแล้วแต่ไม่ไม่เป็นะรแดดจ้ก็ไม่ไม่เป็นไอยู่กันอย่าง มีความด้วยอะไรจะถามว่าด้วยอะไรด้วยอานาจของบุญนะครับหรือบางทีก็เรื่องนาของเทวดาก็ได้ะครับุญเหรอหือบุญเป็นหลักก็เหมือน่งพระเจ้ากีเมื่อทรงทราบประวัติเรื่องนี้แนละ้วได้ทรงสั่งคนนะให้คนข้าวสลพัดอย่างข้าสารพัดด้วยรถห้าร้อนิ้นเปลี่ยนวา ผลปฏิบัติการในผลปฏิบัติกานายกติการะเพื่อไปให้ไปพระราชทานพราะนายกติการะเห็นข่าวพระสารวันนี้ขอมาแต่ไหนแต่ตอนราชบุรุษก็ลากแต่ว่านายกติการะจะไม่เอาบอกว่าพระเจ้าแผดีนั้นทรงมีภารกิจมากขอให้นําของนี้กลับไปเจอห ม, มายถาว่าตรงจะต้องสรุปบำรุงบ้านเมืองมากใครๆว่า อะไรนะของเราเรียกว่าให่แล้วแล้วก็ถวายคืนนะใกล้ๆถวายคืนก็กลับไปเห็นไหมครับถุยมาแล้วจะอย่อยางอย่างสันโดนโดพอมีพอกินนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นอริสงอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นเป็นเรื่องที่มาแห่งหนึ่งนะครับที่ไปอ่านแล้วก็ทําทให้สื่อความเข้าใจดีดที่ว่าประพุทธประรมาจในที่นี้หมายถึงการบวชเท่านั้นเองคือพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเป็นโตโทติปารา น, นั้น ได้บวกในสำนักของพระพุทธเจ้าเองนะแต่ไม่ได้บรรลุนะอันนี้เป็นข้อห้ามเลยว่าเราพุทธเจ้าเมื่อใครศาถนาจะเป็นพระพุทธเนะจา้าแล้วจะไปบวชกับใครที่ไหนน่ะได้เลยว่าเหมือนอย่างแป้นพระสีอาริยะเนี่ยก็ได้เข้ามาบวชในสำนัของพระพุทธเจ้าเราหมืกันใช่ไหมครับคืออธิตามนุษย์ อ, อธิตามนุนั้นเป็นาราชโอรสของ ไปแก้แค่แต่ตพ่อทำมาเรียก ร, รับแต่ลูกเป็นโปรติสมาบวชแต่ว่าไม่ได้บร็ลุกมะผลนนะเพราะว่าจะ ต, ต้องบรรลุเองเพราะเขาปรารถนาใจนะยกเว้นแต่ว่าถอนเสียแต่ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วไม่ถอเพราะฉะนั้นเขาว่าเราคดพรหมาจรรย์ที่ระจ้าทรงตรัสเล่าไว้ในพระสูตรนี้หรือสูตอื่นก็ตามหมายถึงการบวชครับในสุนีละไม่ได้หมายถึงบรรลุมะขุน ในย่อหน้าต่อไปนะครับว่าในปาคตของพระผู้มีพระภาพพระนามวัคติปะนี่ยังเันปัญหาที่หนึ่งอยู่นะฮะผมอธิบายแค่คาคำว่าในปาคตขึ้นตามชื่อก็แปลว่าคำเลือกนะฮะคำเนือแต่จีว่าหลักเนี่ยหมายถึงเป็นหลักของศาสนาที่ ปรญหาพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องถือพุทธวจนะเป็นหลักเพราะฉะนั้นพุทธวจนะที่เรียกว่าปากฏและเมื่อพุทธวจนะได้บันทึกเป็นพระไตรปิฎกแล้วพระไตรปิฎกบา ท, ทีท่านก็ยังเรียกกันว่าปากต์หรืออาจจะเรียกอย่างอื่นดีก็ได้แต่ว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือปาปต์นี่เราบอกนี้แล้วว่าเป็นคำลเลขนิยมมาตรฐานของธรรมะทั่วไปคําคนอื่นนั้นเราไม่รียกว่าเป็นปากต และคำว่าปาคต์ตันี้ก็ใช้หมายเลยไปถึงครบพุทธศาสนาด้ออวยเพราะเ้านายคำดีมหานิเทศพระสารีบุตรท่านจึงได้รวมคำที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนาโดยความเป็นสถาบันเอาไว้เป็นหลายคำด้วยกันนะครับทั้งหมดสิบสามคำมีสิบสามคำ อ, อย่างเช่นคำว่าธรรมะธรรมเม ธรรมะเนี่ยบางทีก็หมายถึงศาสนาพุดแล้วก็วินยัยหรือวินัยาเฉยๆนะครับก็หมายถึงศาสนาพุทหรือบางทีธรรมะวินัยหรือธรรมบวียนก็ได้หรือบมมางทีใค้คําว่าอีธาอีธาแปลจ่าอีธาพิโกเวที่ถุกในศาสนานี้อีธาเนี่ยแปลว่าศาสนาในความว่าอีธาพิเกเวนะครับก็แปลว่าในศาสนานี้แต่อีธาบางแห่งก็หมายถึงในโลกนี้หรืออะไรนี้ก็แล้วแต่ ก็จะ้นอิพะยังมีใช้ในฐานาที่เป็นชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างในชางพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าสลับเรียกกันอยู่ในบอกแล้วก็คําว่าพรม ร, พรมจรีหรือกรมจารย์กรมอาจารย์ก็ในกรมจารย์นี้คือในพระพุทธศาสนาอันนี้นี่นเองหรือในตักตักพุทธาตักศึกษาเสนนะก็หมายถึงพระพุทธศาสนานคือ คําคสอนของพระศาสดาศาสนาแปล ว, ว่าคําสอนของพระศาสนาศ า, าสนามาอยู่ในภิกษุทีารก็เรียกเช่นว่านนั่งวังพระศาสน า, ษ า, ษาบางาบางทีก็ใช่ครัว่าปาวัจ น, นะอย่างที่ว่านะครับและบางแห่งก็ใช่เพราว่าอาคายะหรืออาคาเีอาคายะแปลว่ า, าผมไม่อยากจะแปลอยา่างบางท่านแปลว่าความยึดถือ นะแรงอย่างให้มัที่ท้อแล้วเราือเอาแต่ว่าน่าจะแรความนักถือนี่ยนะความนักถือตาไทรเงความนักถือคือในความนักถือนีอก็เป็นชื่อของพุทธศาสนาอีกชื่อหนึ่งตัวคงจะยกตัวอย่างกรณีนะครับคำอื่นก็มีเดี๋ยวยกมากจะเสือมีจำศีสามครับเอาละะฉะนั้นในที่นี้ทางอาจารยว่าตาขด ซึงต่อหมายถึงพระพุทธศาสนาก็เอาความว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงประพุธะะพธะทธธรรมจารคือบวตในศาสนาของพระพุทธกัจจคปปะหมายความว่าเราถามพระวารีด้วยคถามดังกล่ามนี้นะครับพระวารีตอบรับวาา่าใช่ตอนที่ตอบรับว่าใช่ของเขานั้นผิดนะครับ ผิดตรงที่ว่าเขาตีความหมายว่าโอมจารผิดคือโอมจารคือบรรลุมรรคผลในศาสนาของพระพุทธศาสาเนยผิดก็หมายความว่าคำถามที่หนึ่งนั้นเราเอาความเห็นของเขามาถามว่าท่านสำคัญว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้บรรลุเป็นโสดาบัตั้งแต่ ศาสนาของพระพุทธกาลปะหรือเถามเขาอย่างนี้พระวาสีก็ตอบว่าใช่เขาตอบอย่างเขงา้าใจผิดซึ่งเราจะต้องตี้แก่เพราะว่าใครที่เป็นพุทธเจ้าเราจะบรรลุ ก, กับพระพุทธเจ้าองค์อื่นไม่ได้กาบรรลุ ก, กับองค์ไหนก็ต้องเป็นสารวรองค์นับไปไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแใครที่บรรลุเป็นอริยะแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนใจไปสร้างบา ร, รมีเป็นพระโพธิสัตว์อีกไม่ได้เลย ไม่ได้เลยจึงต้องต้องคิดให้ดีคำถามที่สองนะครับเราถามว่าเราฝ่ายเราเรียกว่ายออ่ศศาายอวะตอคือตวาดีฝ่ายเขาย่อวาปอหรือประวาทีเราถามว่าพระโพธิสัตว์เป็นสาวก ข, ของพระผู้มีพระภาคพระนามวัตถุปะหรือสาวนากน่นแปลว่าผู้ฟังแต่ในที่นี้หมายถึงอริยสาวก คือฟัง แ, แล้วได้บรรลุเป็นอริยบุคคลทีนี้คําถามนี้ปราวาซีจะเกิดจะตอบแบ่งมาแยกเป็นสองอย่างถามทีแรก บ, บอกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากประส า, าหรือบอกว่าใช้าไม่ใช่ก่อนถามอีกทีหนึ่งบอกว่าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าหรือบอกว่าใช่ทำไมถึงตอบอย่างนั้นถ้าที่เขาตอบแบ่งละแบ่งสู้อย่างนี้ก็เนื่องจากว่าก็เป็นา ขัดแยังอย่างไรก็คือคนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะเรียกบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นเป็นอะไรยานะมันมีสาวกประยานัจเยตญา แล้วก็พุทธญาณหรือสัม า, ามอัพโกะรืุทธรัมาพุทธญาณก็แล้วแต่อะไรเนี่ยนั้ น, ในใครที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้แล้วจะแยงอยงกกอื่นอีกไม่ได้ เป็นใช้สร้างบารมีเพื่อเป็นสาวุปาิก็จะต้องไปหยุดแค่นั้นตามแรงปรารถนาอิสานกุศใครที่สร้างบารมีเพื่อเป็นปเจริญญาก็แค่มันจะเป็นอื่ไม่ได้คนบัดเป็นปเจริญไม่ใช่ญาณสาวุไม่ใช่ญาณสัมมาสังกูและใครที่สร้างบารมีเป็นปุริาเพื่อบรรลุสัมมาญาณหรืออรหันต์สัมมาอิสานกุ้าที่เขาบอกเนี่ยสัมมา สามทุตานสาธเองโดยชอบสมมาสามทตสาธเองโดยทอแต่ว่าไม่มรนโครเดี๋ยวจะมีคุณตกยกมายืนยัในไหนนะครับอง์ทรงประกาศถ้าใครเป็นพระพุทธเจ้านคนนั้นไม่ใช่สาวกของใครไม่ใช่สาวกของปเจไม่ใช่สาวกของพระสาวก แล้วก็ไม่ใช่สาวกของพูกเนรศีนอกราคาดะเกี่ยวกับสาวของอาราดาบตุตรอุตต า, าบทนั้นไม่ใช่ทัานนะกระทั่งสอยไปถึงใครที่ไหนพระพุทธเจ้าองบนก่อนโยมไม่เรียวกว่าเป็นาสาตกปรดาในคุณธรรมเบื้องสูงของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองจะเป็นเอกโดดตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์นั้นหเอง มันเป็นแต่สาวรถไยานเท่านั้นแหะทีาบรรลุจากบรยา้ามาเข้าใจไหมก็บอกว่าใ่้องขัหลักใหญ่ัหลักพฤติการใหญ่ใหและข้อจากัดในเรื่องเหนีน้แต่พอถามอีกทีมันจะเกิดบอกว่าใช่บอกว่าใช่ก็เพราะว่าเอาเพื่อให้ตอดเข้ากับความเห็นตัววาดพระพุทธเจ้ า, ร เ, จาเราเรียนปัจจุบันาาบ น, นี้เอาละ บ, บลรรลุเป็นพระพุทธเจ้ า, า, าองค์หนึง่งเป็นพระัตวระองค์หนึ่ง แต่ในตามมันเห็นก็นาะ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดับนี้ไม่จะถูกแต่ทงบรรลุแค่มัดสามเท่านั้นเ อ, เองมัดหนึ่งคือมัดต้นโสดาปฏิมัดเป็นสามขั้ยที่ได้บรรลุมาจากทรงเจริญโลกก่อมัดสามเท่านั้นที่พระองค์ได้กัลยาณ์เง ก็เลยกลายเป็นว่าดรงจ้าามันเป็นทั้งสัมมาสัมปวิยาเป็นทั้งตาบุญญาไม่ได้นะครับอันนี้ไม่มีการแกตยานิดวงเจ้าาเป็นสัมมาสัมปวียาหรือสัมมารัมพุทธญาทั้งสี่ายไม่ใช่แค่สามารเพ่เราก็จะได้เห็นข้อยืนยันจากภูมิวนมาตรงกันที่่อันนี้ก็าดูแบ่งลัแบ่งตู้นะครับ ที่ตอบปฏิเสธนั้นก็ตอบตามหลักการนะครับตามหลักการแต่ตอบรักที่หลังตอบตามที่ถืองตัวว่าพราะโค์เป็นสาวกเพราะว่าได้แบบรรลุโสดาบมาจากสมุติจ้าองค์ก่อนผิดแล้ที่ตอบรักเนี่ยผิดตอบปฏิเสธจะถูกแล้วทีนี้ข้อสาม ก็ถามว่าเป็นสาวกแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าหรือได้นะครับที่ผมบอกแล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะมาเป็นพระปฏิเจ้ ก, ก็ไม่ได้เป็นสาวกก็ไม่ได้กลับมาเป็นบุตรโยนีก็ไม่ได้ถอยหลังไม่ได้หรือใครที่บรรลุเป็นสาวกกายานเป็นโสดาสกิรานาคาอะไรเนี่ยคนนั้นต้องเป็นแค่ชั้นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดอื่์หนึ่งั้น จะไปเปลี่ยนใจเป็นอื่นไม่ได้อันนี้เป็นหลักแน่นอนนะครับเมื่อเราถามหลักว่าเป็นสาวกแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าหรือหมายความว่าเป็นสาวกแล้วจะเป็นพุทธเจ้าได้หรือหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสาวกมาก่อนแล้วจึงมาเป็นพุทธเจ้าทีหลังหรือถามอย่างมีพระวาจีบอกไม่ได้หรือไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถูกเลยนะครับถูกในหลักการแต่ถามอีกครั้งหนึ่งก็ตอบว่าใช่ ที่ตอบว่าใช่นั้นก็เป็นการตอบตามความเห็นของตัวว่าตอนที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอีกสามที่เหลือเนี่ยตอนนั้นก็บรรลุใต่เทียนโตดาปฏิมคชื่อว่าเป็นสาวกมา ก, ก่อนแล้วจึงมาเป็นพระพุทธเจ้าทีหลังโดยบรรลุเองอีกสามอย่างที่เหลือนี่เข้าใจผิดจะ้ะเข้าใจผิดก็กด แต่จดไปเฉพาะจะจดไปเป็นความเข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นคําว่าสาวกตรงนี้อย่าลืมนะครับไม่ได้หมายถึงสมมุติที่สาวกแต่หมายถึงอาริยะสาวกสาวกมีสองเหมือนกัตรงฆ์นัะครับในใจพิดกเองก็ใช้เป็นสองอย่างบางแห่งนั้นตรงตัดเรียกสาวกหมดภิกษุภิกษุณีบาตรงบาติกาทั้งปุตจฌณไม่ปุตชฌนละเลีเยสาวกหมดตรงนั้นท่านเลียกโดยโดยข้อกาหนดโดยเพศโด ย, โดยสมมุติ อย่างเรานี่ก็เรียกเนสาวกแต่บางแห่งนั้นเก่นว่าอริยะสาวกบางทีทรงตรัสระบุอย่างนี้นะครับอริยะสาวกในในธรรมวินัยนี้หรือว่าปุตชชนผู้ไม่ได้สะดับอริยะสาวกผู้ได้สะดับแล้วหรือตาัว่าสาวกพิเศษก็ตาัหมายถึงอริยะในในบางแห่งนะครับที่ไม่ได้ระบุชั ด, ด้รียกคำว่าอริยะอย่างเช่นตรงนี้ก็หมายถึงอริยะสาวก <c oughs> นี่ก็เป็นการเรียกว่าเริ่มจักถามให้ในความชัดเจนกันมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กระจางทีเดียวเรามาดูในคำถามที่สี่คำถามที่สี่เราก็ยกเหตุผลอื่นมาถามอีกว่าเป็นคู่ตรัสรู้ด้วยการฟังตามหรือคู่ที่เป็นสาวกเนี่ย บางทีเาาาราเรียกว่าตาลิซนแว่าอุปาหรือเรียกอย่างอื่นมี้ก็ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นอานุพุทธาแปลว่าพุทธาอุนมาตงปรารุแปลว่าปราันอนุแปลว่าตาพูดปราศรุตาหรือบางทีใช้คำศัพท์พุท ธ, ธะก็ได แต่ความหมายว่าเป็นพุทธะคือก า, าร ร, าาารู้แล้ะไม้ฟังการรู้แบวได้ฟังนั้นถ้าสาวกเนี่ยมาเป็นสาวกองเราฟังอยู่แล้วงจะใช้เป็นรูปธรรอยู่อนุอนุพุธะเป็นคู่รับรู้ตามด้วยอย่างไรก็ด้วยการฟังนะรครับก่อนใช้การฟังเป็นหลัก อนะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงถามว่าเป็นผู้ตรัสรูดด้โดยการฟังตามหรือถูกไหมครับถามเราต อ, อบสิครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองหรือตรัสรู้ตามเราก็ตอบได้นะครับเราตรวจปองเป็นตั ว, นนวเป็นผู้ตรัสรู้เองจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่ตรัสรู้ตาม นั้นถ้าตอบว่าถ้าถ้าถ้าตอบปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่ไอที่เราถามว่าเป็นผู้ตัดสินโดยการฟังตามหรือตอบว่าไม่ใช่มันถูกตอบถูกนะครับงนี้ถูกเพราะว่าตัวเ จ, จ้านั้นตัสินเองไม่ได้มีใครมาเทศมาสอนหรือไม่มีพระเจ้ามาเจลอะไรมากระติกอย่างที่มีการใส่ร้า ย, ายหรือมีการแย่งชิง หรือกล่าวตู่กันแหละว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ต่อว่าพระเจ้ามาทรงกระซิกหรือต่างส่งลงมาอะไรทำนองอย่างนี้นะฮะนั่นจริงไม่ได้ฟังแต่เมื่อเขาตอบว่าใช่ทีหลังนะเขาตอบตามความเห็นเขาครับผิดนี้งครับิเพราะว่าถ้าถ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โสดาจากอากตศป่าจริงก็ต้องเป็นสุตตพุทธเจ้านะหรือว่าตรัสรู้เท้าไหร่ แต่นี่ไมไดเป็นอย่างนั้นเมื่อตอบว่าใช่จริงหรือว่าผิดข้อห้าพระผู้มีพระภาคอันนี้เราต้องการจะดึงคําพูดบางอย่างที่พระเจ้าได้ตรงประกาศไว้ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระสยามภูมิเถิดสยามภูแปล ว, ว่าอะไรครับเจ้ได้ยินไหมอ่าเราว่าสยามภูนี่โฆษนาทีเดียวก็ยางใจอยู่นะสยามภู แปล ว, ว่าแตยังผู้ผู้เป็นเองผู้เป็นเองคำว่าเป็นเองเนี่ยมันมีความหมายอยู่ในตัวแล้วนะครับว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองคือทรงสร้างบา ร, รมีมาเองทรงบำเพ็ญความเพียรเองและทรงบรรลุ ธ, ธรรมด้วยความเพียรอย่างบูรุษด้วยความเพียรอย่างบากบัน ของพระองค์เองไม่ได้อาศัยคนอื่นมาเป็นผู้บงการจึงเรียกว่าสยามภูตรงนี้ก็ถ้าเป็นศ า, าสนาฝ่ายเทวานิยมในอินเดียที่เขาเรียกว่าสยามคูเหมือนกันความหมายถึงเป็นเองแปลว่าพระเจ้าเจนวัตรพระพรหมพระศิวะพระนารายณทรงสร้างสิ่งอื่นทั้งคนตัดสิ่งของหมด ต่อเมื่อมีผู้ถามว่าแล้วพระเจ้ามักลายเป็นบูชาเขาจะตอบว่าพยํายามูแต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเองแต่ทีนี้ปัญหาว่าแล้วอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพวกเราเอาคําพูดนี้มาใช้ต่อพระองค์อย่างนี้จะไม่เป็นการผิดเหมือนกับศาสนาฝ่ายเทวนิยมอย่างในอินเดียเขาหรือตรงตรัว่าเป็นเองเป็นเองเนี่ยต้องปฏิเสธอะไร ต่างกันหรือเหมือนกันเอาขอพูดตรงนี้หน่อยไม่เหมือนกันถ้าเป็นเองอย่างพร ะ, พระเจ้าอรในเดียที่เราใช้คำนี้เป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยแสดงความว่าพระเจ้านั้นๆ อ, องค์นั้นมีอภิสิทธิ์ า, างเหตุปัจจัยที่จะบรรดาลสิ่งอื่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยไม่มีใครสร้าปฏิเสธพูดสร้างไปเกิเหตุปัจจัยอื่นหมดเป็นเองอย่างนั้น แต่รพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ได้ทรงปฏิษษเสธปัจจัยตรัสว่าเป็นเองนะทรงปฏิเสธบคุคคลผู้สอ้างหรือพูดเลยบุคคลผู้สอนผู้ประธานผู้ที่แนะผู้บอกทางเท่านั้นเองคืคอในวิชาของพระองค์คือวิชาตาัสรูเ น, นี่ยพูดได้ไงวิชาเป็นพุทธเจ้า ไม่ได้ไเรียนมาจากใครเลยทรงสร้างบารามีซึ่งก็จริงๆเป็นเหตุปัจจัยที่ทรงสร้างเองแล้วก็ทรงได้มาบรรลุด้วยความพยายามของพรงเองจึงปฏิเสธว่าไม่มีครูอาจารย์ไม่ใช่ปฏิเสธเหปัจจัยีนมาโครละเรื่องกันนั่สยามปูจึงหมายถึงปฏิเสธครูปฏิเสธครูที่จะเป็นผู้ประทานให้จึงเรียกว่าสยมามปูเพราะนั้นอันนี้จึงเป็นความต่างกันนะครับระหว่าง าราหว่างไยัมภูที่ใช้กับไปจ้ากับไยัภูที่ใช้กับในทางพระพุทธศัตร